สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีบาะนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบสองแล้วนะครับเหลืออีกสิบแปดวันนะครับก็จะจบซีรีส yes ์เรื่องชวิตพระเยซูพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะรู้จักพระเยซูก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็โดยพระเยซูสิ่งต่างๆที่พระเยซูทรงเป็นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพอพระองค์ทั้งสองนะครับเป็นพระเจ้า พระวิญญาณิสุทธิ์ก็เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็เป็นพระเจ้าและพระบิดาก็ทรงเป็นพระเจ้าและทั้งปวงที่พระบิดาทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในกิจจักรของพระองค์อยู่ในชีวิตของผู้เชื่ออยู่ในชีวิตของลูกของพระองค์ที่ได้บังเกิดใหม่แล้วเราจะพบว่าพระองค์จะมีลักษณะอย่างไร นะครับมีคนถามอย่างนี้ว่าพระเยซูมีลักษณะอย่างไรพระองค์ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับพระองค์ทรงเหมือนพระเยซูทุกประการครับหมายถึงพระลักษณะของพระองค์และเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ใหม่เราก็รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นเช่นไรเยซูทรงเป็นอะไรมีพระัรรมะประบุคลิกภาพของพระองค์เป็นอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นครับพระวิญญาณบริสุทธ์ทรงเป็นเหมือนพระเยซูทุกประการ เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพระเจ้าพระบุตรก็ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาก็ทรงเป็นเหมือนพระบุตรทุกประการพี่น้องครับแต่พระเยซูไม่ใช่พระบุตรพระบิดาก็ไม่ใช่พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่พระเยซูและไม่ใช่พระบุตรไม่ใช่พระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าได้ว่าพระเยซูเป็นเช่นไรก็โดยรู้จักพระบิดาเราจะรู้จักพระวิญญาณเป็นเช่นไรก็โดยรู้จักพระเยซูครับ พีเอสูเคยตัดชัดเจนนะครับว่าถ้ารับเราก็เท่ากับรับพระบิดาด้วยรู้จักเราก็เท่ากับรู้จักพระบิดาด้วยเพราะฉะนั้นในทรรนองเดียวกันนะครับการที่เราจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องรู้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสที่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่พลังงานนะครับไม่ใช่เป็นแค่ฤทิเดชแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีสภาพของความเป็นบุคคลหรือมีบุคลิกภาพแลมีลักษณะอย่างชัดเจน และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นของ ข, องขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายนะครับเป็นของประทานที่พระเจ้าได้ให้กับเราเนื่องจากพระองค์ไม่ใช่เป็นอำนาจลึกลับหรือพลังที่เคลื่อนไหวไปมาทั่วจักรวาลพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระองค์เองครับเป็นผู้ซึ่งเป็นอย่างที่พระองค์เป็นเต็มบริบูรณ์นะครับ มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งในเซาว์ทัสีสเก้าชื่อว่าแอนดรูว์เมอร์เลย์หลายหท่านคงรู้จักเขียนหนังสือกว่าสองร้อยเล่มครับแอนดรูว์เมอร์เลย์เนี่ยได้พูดอย่างนี้นะครับว่าพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาและพระบุตรและพระองค์ทรงนําความรอดอันไพ่บูรและสมบูรณ์แห่งพระศรีของพระเจ้ามาและทั้งปวงในพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าสัญญานั้นทั้งปวงที่จำแดงและนํามาใกล้เราโดยพระคุณของพระเยซูพระวิ ญ, ญญาณ ได้ทรงกระทําให้เป็นของเราแล้วพระวิญญาณทำผ่านทางพระองค์พระสัญญาทั้งปวงของพระเจ้านั้นสําเร็จแล้วทักคุณและความรอดทั้งปวงเนี่ยประคิดกลายมาเป็นประสบการณ์และของขวัญส่วนตัวของเราแล้วพี่น้องครับให้เราเข้าใจคําคํานี้นะครับว่าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ที่ทําให้เรานะเกิดสิ่งต่า ง, างในชีวิต เช่นการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ น, นะครับเช่นการมีผลพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เช่นการมีของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายสิ่งหลายอย่างครับนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณประทานให้กับเราพระสัญญาทั้งปวงของพระเจ้าได้สําเร็จแล้วและกลายมาเป็นของขวัญส่วนตัวของเราและประสบการณ์ในฤทธิเดช ท, ที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเจ้านะของพระเจ้านะครับหลายหลายตอนที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้น เช่นเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสามนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประธานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระเยซูคริสต์สองเปเตซัสบทที่หนึ่งข้อสามฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้าโดยการรู้จักโรงผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิิ และคุณธรรมของพระวิญญาณบริสุทธ์เองหนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อเก้าข้อสิบครับสิ่งที่ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้ว่าเป็นความล้ําลึกของพระเจ้าพี่น้องครับข้ะวจนะของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ อย่างน้อยสามประการในวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าพระบิดานั้นซึ่งเป็นพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ประทานประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเรานะครับประการที่สองก็คือฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตแล้วเพื่อนการรู้จักพระองค์นะครับพระองค์ผู้ซึ่งเรียกเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะ พระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเรียกเราครับในการที่จะขับเคลื่อนเราในการที่พระองค์จะประทานแรงจูงใจความปรารถนาอย่างแรงกล้าความกระตือรือร้นจิตใจที่เร่าร้อนจิตใจที่ปรารถนาอยากจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าเห็นกิตวิญญาณของคนมากมายที่ยังไมไ่รับความรอดให้เขาได้รับความรอดและรับรู้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าประการที่สามครับก็คือสิ่งที่ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินนั้น พระเจ้าเจัดเตรียมไว้แล้วทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเพราะพระวิญญาณอย่างรู้ทุกสิ่งครับเพราะฉะนั้นเราไว้วางใจพระเจ้าได้เราไว้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพราะความอย่างรู้ทุกสิ่งความสัมพันธ์ยูของพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตรียมสิ่งที่จําเป็นพอเพียงกับเราเสมอผมรู้ว่าหลายหลคนนั้นณเวลานี้อาจจะกําลังคิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอาจจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่แน่ม่นอนว่าจะทําอย่างไรดี จะทำอะไรดีจะตัดสินยังไงดีจะดําเนินต่อไปในชีวิตอย่างไรดีพี่น้องครับพเพราะฉะะพรเจ้าตอนนี้หนุนใจมากนะครับหนุนใจผมมากและผมหวังว่าจะหนุนใจพี่น้องมากว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พี่น้องครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารักพระองค์พอหรือเปล่าเรารักพระองค์อย่างจริงใจหรือเปล่าเรารักพระองค์อย่างไม่มีข้อแม้หรือเปล่า เรารักพระองค์อย่างไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนใดๆหรือเปล่าถ้าเรารักพระองค์แบบนั้นพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงฉั์ซื่อต่อคําสัญญาของพระองค์เสมอและสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นครับจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับและพระองค์จัดเตรียมทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตของเราและการดําเนินตามทางพระเจ้าให้กับเราครับพี่น้องครับอยากจะให้พูดพร้อมๆกันว่าอาเมนครับเพราะว่าพระเนะพระเจ้าสองตอนนี้นะครับสามตอนครับ นะทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์สื่อพระองไม่ทอดทิ้งลูกของพระองค์และพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์เสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวิญ ญ, ญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งและพระวิญ ญ, ญาณ น, นั้นเป็นเครื่องมือของพระเจ้านะฮะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการนําพ่อพร น, นํานําพระสัญญานําสิ่งที่ดีที่สุดทําให้เราหลายเจริญโตฝ่ายวิญ ญ, ญาณและมีชีวิตที่รักพระองค์อาเมน